ตีหาแล้ใจให้ตื่นเขาบอกว่าตื่นตาด้วยแสงไฟตื่นใจด้วยแสงธรรมคือถ้ามีธรรมส่องสว่างเข้าในกลางใจก็จะทําให้ใจนี้มันตื่นแต่ถ้าธรรมะไม่ทํางานใจนี้ก็จะถูกคลุมด้วยความมืดบอดด้วยอวิชชาการมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นการ สวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตมนุษย์นั่นเองเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีปัญหาปัญหาของเขาก็คือมีทุลีหรือมีฝ้าบังจักสุคือมันเห็นอะไรไม่ค่อยชัดหรือว่าไม่เห็นนสเลยปัญหาของมนุษย์คือความไม่รู้ไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริงที่เรียกว่ า, าวิชานั่นแหละ เราจึงพยายามมาเห็นมาดูมารู้อะไรตางความเป็นจริงที่มันเป็นจริ ง, รงเพราะอะไรเพราะมันจิตติดติดความรู้สึกที่เป็นตัวตนเรามองอะไรมันมองไม่ตรงเห็นอะไรก็ไม่เห็นตรงไม่มีสภาพธรรมที่เป็นเห็นเฉยเฉยเห็นเฉยเฉยตัวเห็นก็เฉยเฉยตัวจิตก็เฉยเฉยเขาเรียก ว, ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ เห็นจิตที่มันไม่มีอวิชชาครอบงําไม่มีความปรุงแต่งเข้าไปครอบงํามันและจิตประเภทนั้นก็จะไม่มีความหลงไม่มีโมหะคติไม่มีพยาคติไม่มีโทสาความโกรธความโลภความหลงความรักความกลัวความชังอะไรแลกติ6กเนี่ ย, ยมันจะไม่มีในใจประเภทนั้น ทีนี้มันมองอะไรมันก็เห็นตามความเป็นจริงพราจิตมันเฉยๆเฉยๆนี่จะเห็นอะไรตามที่มันเป็นมันไม่ปรุงไปเห็นแล้วก็วางโดยธรรมชาติมันว่าไม่วางมันก็ไม่ปรุงเขาเรียกว่าสร้างสัมมัิทิฐิให้เกิดขึ้นในจิตาศาสนาทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งวัตถุนิยมที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความกลัวของมนุษย์ มนุษย์มีความกลัวเกิดขึ้นแต่ก่อนก็กลัวภัยธรรมชาติกลัวฝนกลัวฟ้าผ่ากลัวแดดกลัวลมกลัวแผ่นดินถล่มกลัวร้อนกลัวหนาวแต่ต่อมาเนี่ยมนุษย์นี่กลัวศักดิ์ศรีมันมีศักดิ์ศรีพ่วงเข้ามาด้วยกลัวจนกลัวมีกลัวเสียหน้า กลัวไม่มีใครดูแลเอาใจใสเยียวยารักษานะกลัวไม่สนุกสนานไม่เพลิดเพลินความกลัวมันเริ่มไหลเข้ามาไหลเข้ามามนุษย์ก็เลยต้องสร้างสารนวิวัฒนาการเพื่อหยุดยั้งความกลัวหรื อ, อยังน่าก็คือให้เกิดความอบอุ่นเกิดขึ้นในจิตตัวเองในหะ้รู้สึกว่าเรามีอะไรบ้าง กสร้างเป็นเครื่องป้องกันตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ใช่เรื่องของปัญญามีนํำสำํากายเป็นเครื่องกีดขวางให้เกิดปัญญาเรียกว่ า, าวิชาเกือบจะลงลึกไปถึงเรื่องของเดรัจฉานวิชาคือวิชาสนองสัญชะตยานวิชาของมนุษย์ก็คือวิชาทาลายความรู้สึกที่ประกอบไปด้วยอวิชา ถ้ามนุษย์เราอยู่ด้วยสัญชาตญาณธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ปรุงแต่งม น, มนุษย์จะไม่ทุกข์เท่าไหร่นะสัญชาตญาณในการสืบพันธ์แสวงหาที่อยู่สัญชาตญาณในความกลัวสัญชาตญาณในการแสวงหาอาหารการหลบภัยกันคือประมาณนี้เหมือนกับสัตว์เนี่ยมันไม่ปรุงแต่งความกลัวนี่จะไม่เท่าไหร่ความทุกข์ของมนุษย์ก็จะไม่มีมากเท่าไหร่ แต่มนุษย์เนี่พอมีความปรุงแต่งเข้าไปมากเลยมีอุปทานในสรญชาติยานนั้นกลัวไม่อรอร่ อ, รอยไม่เพลิดเพลินไม่สนุกสนานไม่อะไรคือความกลัวมันมีมากเกินไปมนุษย์ตื่นกับความกลัวอันนี้คำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยจึงมุ่งแก้ปัญหาความกลัวพ้นจากความกลัวที่สุดคือมนุษย์กลัวความเจ็บไข้และกลัวความตาย รวมไปถึงการกลัวตายแล้วเกิดอีกแล้วกลัวแล้วตายแล้วศูนย์ไม่ได้กลับมาเกิดอีกศาสนาทั้งหลายจึงปรากฏเกิดขึ้นทําสอนทั้งหลายนี่ปรากฏขึ้นเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้อันหนึ่งสร้างระบบกลบเกลื่อนเป็นเรื่องของวัตถุแต่็นเรื่องของจิตใจเรื่อ ง, องศาสนาคือเรื่องของจิตใจ ก็มีหลากหลายศาสนาที่ช่วยช่วยยับยั้งใ้ความรู้สึกอนเนี้ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้มันสามารถดับความกลัวได้มัดจุดไทยยังสุทุตรังข้ามพ้นความกลัวได้ความกลัวทุกอย่างไม่มันมีในจิตกลัวในปฏิบัติที่แรกเวลาเราเข้าใจก็จะหายกลัวในสิ่งที่เป็นสมมุติโลก สมมติอันนั้นสมมุติอันนี้ขึ้นมาเราเข้าใจแล้วก็หายสงสัยแล้วความกลัวมันก็จะหมดไปเปล่อกนั่งแต่ว่าความกลัวศักดิ์สิกลัวมีกลัวจนกลัวไม่เท่าเทียมคนอื่นนี่เราสมมุติขึ้นมาอีกซึ่งมันเป็นเปลือกที่ขยับต่อมาอีกแล้วจะเข้ามาใกล้ๆคือเรื่องสัญชาตญาณความกลัวเรื่องของความติดในรูปรสกลิ่นเสียงในกลามพวกนี้ซึ่งมันจะลึกเข้ามาตามลาดับ คือขยับเข้ามาใกล้ชีวิตเรามากขึ้นนะเวลาปฏิบัติธรรมบางคนจึงตัดความกลัวได้ในระดับที่ห่างๆตัวหน่อยนะแต่บางคนก็ขยับเข้ามาใกล้ตัวใกล้ตัวจนทั้งว่าความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเรื่องของความกลัวที่เป็นไปตามสัญชาตญาณเนี่ยบางคนตัดได้เด็ดขาดนะไม่กลัวนั่นเขาก็เรียกว่าสิน้นสิ้นอาสวะที่หมักหมมมากับชีวิต ก็เป็นพระอาหารหันต์เป็นสัมมาทิฐิโดยสมบูรณ์แบบนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรจริงๆมันไม่มีอะไรชีวิตเราแต่ชีวิตเราก็มีความรู้สึกความกลัวอันนี้แฝงอยู่พว้ที่มีความรู้เคยศึกษาเคยเร้าเรียนอะไรมามากก็กลัวกลัวคนดูถูกดูหมิ่นเหยียดยา้งกระทบกระทั่งกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัว ไม่ดีไม่เด่นที่เขาอื่นนั้นที่กลายเป็นทิฐิมานะสูงพวกนี้กลายเป็นว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะกลัวพวกนี้คือกลัวพวกขาดสติจริงเราฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อมีสตินะ่ะแต่ปฏิบัติแล้วกลับไปเห็นโอ้สิ่งท้่หลายที่น่ากลัวในโลกนี้คือคนขาดสติเพราะคนสาดสติเนี่ยมันจะหมุนเข้าไปในสังสารวัฏ เข้าไปในการปรุงแต่งในความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานที่มันเป็นพบเป็นชาติของชีวิตนะ่แต่และ ว, วงจรเนี่ยนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันอยู่ในใจของใครแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออคุยกนนี้เดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ละมันเริ่มตึงตังขึ้นมาคือสั่งสารวัตหมุนในจิตเขาอีกแล้วนะมันเหมือนโกงจักรนะถ้ามันหมุนพูถ้าเราเข้าไปอยู่ในรัศมีมันเราก็จ็บวาดเจ็บด้วยนั้น เรามันต้องอยู่ให้ห่างไกลอยู่ห่างไกลงดคิงดง่ายโกรธง่ายทิฏฐิสูงเนี่ย <c oughs> มันน่ากลัวคือไม่มองว่าชีวิตนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมรู้จักก็คือสัญชตาตญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวการปฏิบัติตามความคิดตามทิฏฐิตามมรณนะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัว พะโดยปกติเนี่ยเราแค่ให้รักษาสัญาติยานที่เป็นไปโดยธรรมชาติที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นทุกข์เนี่ยแค่นี้นก็ถือว่ามากละไปโดยธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมีครอบมีครัวผัวเมียมีหน้าที่การงานมีกิจกรรมมีอรอย่างอนที่เป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดา ก็ถือว่าเพียงพอชีวิตเนี่ยแต่คนมันมากไปกว่านั้นมันมีทิฏฐิมีอัตตามีตัวตนมีอะไรเข้าไปที่มันจะรักษานะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือเขารักษาด้วยอวิชชาเพราะเขาไม่รู้ก็เลยรักษาเอาไว้เั้นปัญหามันก็เกิดเป็นกว้างใหญ่ไพศาลขึ้นมาในระดับตัวตนในระดับครอบครัว ในระดับภูมิภาคในระดับประเทศในระดับกลุม่มระดับพวกพ้องกันมั้ระดับค่ายตัวตนมันเกิดขึ้นมาเราก็รักษาทีนี้มันอัตรามันหลายคนมารวมกันเนี่ยมันเป็นแนวคิดแล้วผลักดันไปสูค่ความเป็นลัทธิลัทธิการเมืองลัทธิการปกครองลัทธิเศรษฐกิจเนี่ยมันมาจริ ง, รงเกิดจากความกลัวเฉยๆเนี่ย แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ใช้ละทิอันนี้ล่าเอาความสุขล่าผานความสุขจากคนอื่นจากกลุ่มอื่นจากเผ่าพันธุ์อื่นในบางละทิในบางแห่งบางสิ่งบางอย่างตามบางเผ่าเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวัฒนธรรมทำแห่งการรักษาทางด้านจิตวิญญาณเพื่อไปตัวแก้ไขความกลัวนี่ในระดับหนึ่ง เขาเรียกว่าวัฒนธรมรมทางด้านศาสนาทางด้านขนบมทำเนียมประเพณีแต่เมื่อลัธิพวกนี้มันเข้าไปรุกรานเข้าไปเนี่ยมันจะถูกทําลายมุดเลยรู้วแห่งวัฒนธรรมถูกทําลายรู้ว่แห่งความเชื่อถือร่วมแห่งความปกติความสมานฉันท์ความสามัคคีอะไรต่างๆถูกทําลายไปหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าวรัธิของความความกลัวนี่แหละเข้าไปมันเอาเข้าไปในเรื่องของวัตถุ เรื่องความสนุกสนานความ เ, มเพมลิดเพลินลัทธิในการเจาะแสวงหาเรื่องเศรษฐกิจที่จะเอาเงินเอาทองจากชนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เราก็เรียกว่าเอาความเจริญเข้าไปจริงๆมนุษย์เนี่ยถ้าจะได้รับความเจริญจริงๆคือเจริญทางสติทางปัญญาเจริญทางจิตวิญ ญ, ญาณที่สูง ข, ขึ้นมนุษย์ต้องหายจากโรคทางวิญ ญ, ญาณมนุษย์มีอยู่สามโรคหนึ่งโรคกาย รูปโรคสองโรคจิตสามโรควิญญาณโรคจิตก็คือเหมือนเหมือนที่เขาไปหาหมอนะเป็นโรคจิตเป็นความผิดปกติทางสมองทางความรู้สึกทางอะไรประมาณนั้นแต่โรควิญญาณนี่คือการสัมผัสรับรู้แล้วมันเกิดความสำคัญมั่นหมายมีอุปทานต่อผัสส์แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคจิตอันเนี้ย บบโรคอันไซเมอร์โรคอะไรพวกนั้นเป็นโรคจิตแต่นี้โรครักโรคชังโรคโกรธโรคหลงนี่เป็นนามโรคคือความรู้ความสามารถอะไรจริงๆเนี่ยเรื่องของปัญญาจริงต้องเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในชีวิตแล้วข้ามพ้นความกลัวอันนี้ได้จึงเรียกว่าปัญญามนุษย์ต้องออกจากความกลัวออกจากสันชาตยานออกจากความงมงาย นะออกจากความไม่รู้ให้ได้แต่ถามว่านวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆที่เขาสร้างขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเป็นไปเพื่อให้มนุษย์เกิดปัญญาแบบนี้ไม่ไม่เป็นไปเพื่อการกลบเกลื่อนเพราะคนสร้างนวัตกรรมทางปัญญาก็คือคนไม่มีปัญญาเขาก็ไม่รู้นั้นเราก็ส่งลูกส่งหลานล้วก็ไปเรียนตามเรื่องนะ ล้วก็ภูมิใจลูกเราเกจสี่จุดศูนะอย่างนน้นนี่ที่จริงมันไดแต่ทิฐิกลับบ้านไดแต่มานะได้แต่ราคะได้แต่ตันหาบางทีพ่วงลูกพ่วงหลานมาด้วยอีกทางนะะไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทุกข์กลับมาเนี่ยนี่คือผลกองการพัฒนาของอวิชชาเป็นการไหลไหลตามความรู้สึกที่พุทธออกมาจากใจ เราก็ว่าโลกเราลูกเราหลานเราครอบครัวเราประเทศชาติบ้านเมืองเราพัฒนาได้ดีขึ้นมีเงินมีทองสูงขึ้นเนี่ยโน่นเนีน่ยนี้ความสุขมันมีขึ้นจริ ง, รงๆไม่มีอ่ะหลายๆประเทศนะ GDP สูงอัตราการจเจริญเติบโตทั้งนั้นเศรษฐกิจเครื่องวัดสูงมากแต่ในขดะเกียวกันก็คือปัญหาสังคมเขาก็เยอะมาก แล้วเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆปัญหาอัตราตัวตนปัญหารู้สึกว่าศักิ์สีเนี่ยในพ่อประเทศใหญ่ๆเนี่ยเรื่องเผ่าพันุเรื่องสีผิวเรื่องอะไรเนี่ยตามมามากมายการไม่ยอมกันกันอะไร เ, พ, เพราะอรพะว่เพราะมันขาดจุดหนึ่งมันก็มีจุดหนึ่งอยู่ดีอ่เพราะตาัดตาตัวตนมนุษย์เนี่ยมันมากดังนั้นพุทธธรรมเนี่ยจึงเป็นทางแก้ปัญหาของมนุษย์ที่ ที่สมบูรณ์แบบมากเป็นความรู้ที่มนุษย์ได้รับถ้าจะเกิดมาแล้เนะ่ะลงตาเองนะมีความเข้าใจว่ า, าการเข้าถึงธรรมเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงจริงนะพอพอปฏิบัติธรรมแล้วมันมันอยู่ในวิสัยอะ่ะคือพระลือศีพระอะไรได้หลายคนนะ่ะเขาคงเข้าถึงธรรมมาเนี่ยมันออกมาในรูปของ อยางเราไปศึกษาเรื่องของชาดกเรื่องอะไรท่านเนี่ยนานๆเข้าเขาไปหาปฏิบัติธรรมกษัตริย์ก็ไปหาปฏิบัติธรรมเศรษฐีเขาไปหาปฏิบัติธรรมฤนะาษีดาบดยิ่งเราไปดูในทั้งประเทศอื่นเนี่ยก็เห็นด้วยว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไปดูในในอินเดียอะไจะรู้สึกว่าเห็นเห็นได้เลยว่าเป็นไปได้ว่าคนเข้าถึงธรรมะในลักษณะเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเนี่ย มันมีอยู่แล้วคือเขาสามารถปฏิบัติธรรมแล้วเขาสามารถเข้าถึงธรรมนี้ได้แต่เพียงแต่ว่ามันเผยแพร่ไม่ได้คือรู้ได้เฉพาะตนดับทุกได้เฉพาะตนเหมือนพระบ้านเราเนี่ยหลวงพ่อโอนั้นหลวงปู่ที่ทําสมาธิอยู่ในป่าในดงจนแก่แก่แก่เข้าแล้วก็ตายไปท่านก็สงบท่านก็ดีนะอาจจะทะลุสู่มิติของความเป็นฌาน ไปสู่อริยภูมิเนี่ยได้เพียงแต่รู้สึกว่ามันมันเหือดแห้งแล้วมันหายไปคือขมไปนานๆๆแล้วมันก็ทะลุไปมันเป็นเจตวิมุตต์ไปโดยธรรมชาติแต่มันสอนคนไม่ไดนถ้าหนึ่งเรียกว่าพระปัจเจ ก, กพุทธไงอย่างสภาวะจิตของพรหมเนี่ยมันก็มีสภาวะเข า, าตายแล้วก็คืออย่างพระอนาคามีตายแล้วก็เกิดในสุทาวาส คือจิตของพรมเนี่ยจะเข้าเท่ากับความเป็นของพระอนาคามีคือดับไอความรู้สึกทางเพศนี้ได้กามราคะเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ถึงที่สุดทุกที่แท้จริงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณเนี้ยแต่มันอาจจะไปถึงที่สุดทุกตอนแก่ๆตอนอะไรประมาณนั้นทำสมาธินี่ มันก็เลยไม่มีโอกาสว่าจะเอาอะไรมาสอนเพราะแก่แล้วนะอ้าวก็สเสวยไปตามเรื่องนะถึงตอนนั้นญาติโยมก็อุปถัปรรมภ์เอาใจใส่มากแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเอาคนนั้นก็นมาเยี่ยมคนนี้ก็มาทําทักษิณในทานก็ไม่มีเวลาเหมือนพระเทระบ้านเราแหละขยับไม่ได้โอ้ยญาติโยมเยอะเนี่ยแล้วเอาอะไรไปสอนนะ่ะมันไม่มีเวลาล่ะก็เหลือแต่รอตายท่นี้ ก็เหมือนเป็นผู้วิเศษไปเลยแต่ว่าสอง0ันหกว่าปีมาเนี่ยพระพุูได้เจ้าหรือสิทธธะเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านบรรลุตั้งแต่อายุ3ามสิบห้าปีบรรลุสภาวะเนี่ยแล้วก็เลยเอามาสอนสามสิบห้าปีเผื่อจะตายแปดสิบปีเนี่ยทำอะไรอะ่ะถ้าไม่สอนเนี่ยดูคนทั้งหลายทั้งปวงก็มีมีศักยภาพคือ ท่านสามารถเข้าถึงในเวลาอันใกล้ปฏิบัติหปีแต่ว่าค้นคว้าวิจัยสุดท้ายทําแค่วันสองวันท่านก็บรลุทำรู้แจ้งก็ว่าเออศักยภาพที่ทําเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําสมาธิจนทั้งแก่แล้วบรรลุสามารถเข้าถึงได้สามวันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าคนทําอยู่เรื่อยๆก็สามารถเข้าถึงทําได้ธรรมชาติอันเนี้ยแล้ว้นจากสภาวะข้อความกลัว น, นี้ได้โดยธรรมชาติเลย แต่ก่อนท่านก็มีสมมติฐานของชีวิตแบบเหมือนกันว่ากลัวกลับมาเกิดอีกนะกลัวตายแล้วกลัวกลับมาเกิดอีกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะถามชนะว่านี่อะไรนี่คือสมณะสมณะคือผู้ค้นหาสภาวะธรรมหาคําตอบของชีวิตที่อยพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายตายแล้วไปไหนนะ บางคนตายแล้วว่าศูนย์ไปแต่ทิศทางแนวโน้มของพุทธศาสนาความเชื่อสมัยน้นมีว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดอีกตายแล้วกลับมาเกิดอีกมีบาปมีกรรมติดตัวชำระล้างไม่สะอาดนั้นมาเกิดอีกคนรู้จักรู้จักอาสวะระดับหนึ่งนะั่นแหละมันถึงจะสลายตัวเกิดมาชานี้เป็นอันนี้ แต่เกิดมาก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบเดิมอาจจะเป็นหมูหมากาไก่ไปก็ได้แต่บางทีก็เกิดอะไรก็เกิดเป็นเป็นสัตตติที่เป็นเที่ยงบางงนก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมันมาเกิดเป็นแบบใหม่นั้นคนที่จะแก้ปัญหาคำสาบมันี้ได้ไม่ให้มันมาเกิดดีก็คือต้องแสวงหาสัจธรรมคือให้รอดพ้นจากอันนี้ไปให้ได้คลายปมปัญหาชีวิตอันนี้ให้ได้ความกลัวก็จะยกระดับขึ้นมาอีกทีเนี้ย แต่ก่อนกลัวสักกลัวสีกลัวมีกลัวชนกลัวได้กลัวเป็นกลัวไม่ได้รับรูปรบรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ข้างนอกกลับมาเป็นเรื่องของความกลัวทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความกลัวการตายกลัวเกิดนี่แล้วในที่สุดท่านก็พบคาตอบหลังจากแสวงหาอยู่ไม่นานที่แรกก็อาศัยการทรมานตัวเองคิดว่า มันจะน่าจะได้คำตอบแต่ที่ไหนแต่พอมันนึกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตไม่ใช่การอยู่ดีกินดีอยู่ง่ายกินง่ายอยู่อะไรธรรมดาทุกอย่างไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกอะการเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่จิตเนี่ยแล้วเราก็เลยมีการมาเฝ้าดูจิตเนี่ยมาเฝ้าดูจิตเดี๋ยวนี้เราไม่อยากทาไม่อยากเป็นทุกข์นะไม่อยากเป็นทุกข์ ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นท่านเรียนรวมเรียกว่าทุกเมื่อก่อนไม่รู้ไม่รู้แต่ปฏิบัติธรรมแล้วรู้อนันตสุเตสุธรรมเมสุไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครๆมาในปางก่อนว่าทุกเป็นอย่างเนี้แต่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วท่านรู้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะเ น, ะนเกิดดวงตาเกิดธรรมไจักสุ จะของอุทปาทิยานังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชชาอุทปาทิอาโลโกความสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างยานปัญญาวิชาการรู้แจ้งปรากฏเกิดขึ้นในจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่คือการการค้นพบนะวัตกรรมมันยอดเยี่ยมที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตมนุษย์และได้คําตอบอย่างสมบูรณ์แบบนะว่ามนุษย์เกิดมาเป็นทุกข์เพราะอันเนี้ย แล้วปฏิบัติทําดับทุกได้เพราะอันเนี้ยเป็นชัยชนะของมนุษย์นะชัยชนะของพุทธาต่อกิเลสต่อมารเนี่ยคนก็ตื่นอิทตท่าคโตโลเกโปโนโอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้คือมีผู้บรรลุธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้ในสังคมนั้นอย่างท่านมหากรปฏนะเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ราชามหาษัตริ์ เกิดมาในมีพราหมณ์มีอะไรเขาปฏิบัติทํากันอยู่อะเกลอไปหมดท่านเองก็ปฏิบัติธรรมจะอยู่อยู่มาวันหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นคนพ้นทุก์เนี่ยมันเป็นยังไงคือเขาคล้ายๆว่าผลไม้ที่มันสุกเตรียมจะหล่นอยู่แล้วนะ่ะเขาทำยังไงชีวิตเขาจ้างคนไปถามขขา ว, ว่าในโลกนี้มีผู้รู้แจ้งเกิดขึ้นบ้างไหม ไม่มีหากม่าไปมีคนนั่นก็ไม่มีจ้างนะขบวนมาเร็วคอยสืบขา่าวโจอทั้งว่ามีกองเวียนเขาไาค้าขายแล้วก็ไปเจอเข้าก็ถามเอามาจากไหนนี่มาจากเมืองสาวัตถีมาจากเมือ ง, มาาเมองพระนาศีท่านมีข่าวอะไรที่ดีที่สุดที่ท่านมาเนี่ย มาค้าขายมีไหมเขาก็เล่าลือว่าอิฐตัทาคาโตโลเกอุปโนมีพระตถาคตรบรรลุธรรมที่รู้เวลาเสนานิคมที่ป่าอิสิปตนะมฤคไทยวันเกิดการรู้แจ้งและประกาศข่าวแล้วแล้วเกิดแผ่นดินไหวข่าวเนี่ยทําให้เกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยมีสาเหตุอยแปดประการมีคนมีค่าเหลือเกินเนี่ย ถ้าให้คนนั้นได้มารู้คนนี้มาเห็นเอาละมันเริ่มไปแล้วเนี่ยกลับไปนี่กูจะไปตั้งสำนักนะเนี่ยนะส่วนมั่งม่วงกูกูจะเดินจุกรมปูกระเบื้องใหม่ด้านานั้นแล้วกูจะเดินจุกรมเจ็ดวันเองมามาอยู่นี่มันไม่ค่อยได้ปฏิบัติเต็มที่วะกลับไปนี่กูจะปฏิบัติเต็มที่ทำความเพียรเต็มที่เลยแหละกูจะตื่นดึกกว่านี้อีกกว่าพระนี่อี ก, ก ืมคิดนะมันไ้คิดธรรมะธรมูทมั้งแท้ๆนะมันไม่ได้ธรรมดานะแต่สุดท้ายก็คือคิดไปคิดมาคิดไปจนค่ำ <c oughs> เห็นไหมมันหลอกเนี่ยพอถึงตอนค่ำแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทากลับไปก็มีการมีงานนะั่นนี่ก็เลิกไปความคิดนะ่นะมันเป็นความคิดในขณะที่ที่เราทำเนี่ยมันขัดขวางเราไม่ให้เราได้เข้าไปถึงทำนะ <Okay. S 2> มันคิดไปหมดแหละเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดบางทีเนี่ยบางคนเดินจูกลงเป็นยังไงบ้างได้หกโคงก็ส่งข่าวท่านท่านให้ทหารไปอีกแสนนึงเอา้าแสนกระหา ạ ปะนะเอา้าไปทำมาหากินเนี่เธอเสร็จปุ๊บก็กรีบขึ้นมาขึ้นทาขึ้นรถขึ้นเลยมาฟังข่าว จริงๆโอ้เปีนน้ไปหาพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ไปหาพระพุทธเจ้าอิจฉท่ท่ขัดตมีผู้รู้เกิดขึ้นแล้วผู้พ้นทุกผู้หนีพ้นความกลัวเนี่ยสามารถทําลายความกลัวแล้วถึงที่สุดทุกเนี่ยกเกิดขึ้นในโลกจิตของเขามันดีปานนั้นนะแต่ของเรานี่จ้างมารถก็ให้ฟรีฟรนต่บางคนยังไม่อยากมาลาแล้วลาอีก ลงตาได้ยี่สิบคนแล้วตอนนี้เอาลดลงมาเหลือสิบเจ็ดแล้วเหลือสิบหกแล้วขนาดฟรีนนเนี่ยเนี่ยของเขานี่แค่ได้ข่าว เ, เขาจ่ายเป็นแสนเลยนะมันจะมีการปฏิบัติธรรมดับทุกข์ดับกิเลสเนี่ยมันต่างกันมากเราเนี่ยลูกหลานเราก็เหมือนกันแทนที่จะส่งมันไปปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โน้นส่งมันไปไหนก็ไม่รู้ไปหาความรู้เมืองนอกเมืองนาเมืองอะไรนู่นเน่ยคือมัน ยังมีมิจฉาที่ดีคือความกลัวคนในจิตมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องการมีกันเรื่องเงินทองเข้าของเมืม่อวานนี้ถามโยมคนหนึ่งโยมทำที่ปบัโอ้ยหลวงตามยังมีศักดิ์ศรียังมีนนท์มีนี่นั่นเฮ้ยทำคอนโดยังได้เลยทำที่ปฏิบัติโอ้ทำให้เขาเกิดทุกข์เพิ่มแลนละพเพราะเขายังเห็นแบบนั้นอยู่จิตพอไปปฏิบัติทรรฟังธรรมเกิดบรรลุธรรมเลยเข้าถึงธรรมเลยอ่ะ ลาบวตเลยพระมหากษัตริย์เนี่ยลาบวตตั้งแต่นูนนะ่ะตั้งแต่จากบ้านนะ่ะมอบทรัพย์สมบัติให้พานางอโนชาพระเอา้าเธอเป็นภรรยาเอาทรัพย์สมบัติไปนะพี่จะไปบวตแล้วนะพอไปแล้วก็ฟังธรรมมันก็เกิดบวตเข้าใจธรรมะเลยนะเพราะจิตที่มีศรัทธาอยู่แล้วลึกๆเนี่ยมันจะไปไวคนนะ่ะแต่คนมานี่ดูก่อนนะนะมาเนี่ยญาติโยมมาฟังเทศน์ฟังธรรม กูจะไปไปฏิบัติธรหลวงตาแต่พอมาแล้วก็จะดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระองค์นั้นก็ทําไมดําจังนะพระองค์นี้ทำไมเขานะ่าเนี่ยพระนั้นนันน่งหลับนะัน้นแสดงว่าทําไม่ได้อย่างนู้นน้นมันดูเรื่องอื่นน้นมันไม่ใช่ดูจิตตัวเองที่เราชี้เนี่ยชีย้ให้ดูมันนุ่นขนาดพวกนั้นก็อยู่กับหลวงตามานักกัยังไม่บรรลุนะเนี่ยแล้วทําไมเราจะต้องบรรลุไวขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันไม่เชื่อความสามารถตัวเอง ก็เลยเปเรื่องของนอกนู่นแหละแทนที่จะกลัวความรู้สึกเนี่ยมันมาเพิ่มความรู้สึกแบบนี้ขึ้นอีกแล้วอัตราตัวทนมันเพิ่มสูงขึ้นยีกงปบทผู้เขียนจดหมายพี่ได้พบสัจธรรมแล้วขอให้พน้องน้องนางดูแลบ้านเมืองให้ดีที่สุดนะจากพี่ พูดภาษาบ้านเราจะดีนัู่้แต่พูดไม่เป็นนะด้วยก้าวด้วยกำมอมขอเดชะใต้ฝ า, าลู่ององค์ปุปริสบัตรปกเงาผกเงิงนต่อเลยมันพูดไม่เป็นนมะันวุ่นวายภาษานางนี่พอได้ยินเนี่ยว่าได้สามีเนี่ยได้พบสัจธรรมแล้วเนี่ยเกิดจิตตื่นขนะึ้นมาทนทีน่ะเอ้ยเรื่องอะไรเราจะมาเอานะทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเหมือนสล็บที่เจ้าพี่ถมทิ้งออกมาแล้วอยู่ๆฉันจะมารับเนี่ยฉันไม่เอาะ เรียกมหาอมาตมานี่เธอเอาทรัพย์สมบัติไปฉันจะไปแล้วนะเงินไปไหนไปหาคนหาอริยสัจพ้นหาความพ้นทุกพ้นความกลัวทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยอืมทิ้งให้มหาอมาตมาแล้วก็ไปอะไปแล้วก็ถามข่าวถามเขาอมาตถา์พนางไปก็บวชปฏิบัติธรรมแล้วก็บรุษธรรมอีกแหละกับพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันพ่อหากับปีนะ่ะไปอยู่ที่ไหนจิง โอ้ยสุขจังเลยสุขจังเลยสบายชีวิตดีสบายคือสมัยก่อนไปไหนมัน ม, มีทหารล้อมนะป้องกันไปแต่ท่านไปเนี่ยท่านมีความสุขมาอามาต ถ, ถามข่าวเขาปาระกฤษพนางนี่ก็มีความสุขไม่ทุกข์พระมหากปินะณกษัตริย์ก็ไม่ทุกข์อามัดย์เสียดาถ้ากูเดินจุกมือกูทำไมกูไม่เดินอยู่ในผ้าเหลืองวะอะไรประมาณนั้น เห็นไหมมันหลอกเนะี่ย ม, มันก็จะหลอกไปหลอกมาอะไรอยว่แบบนี้เรียกว่าเอา้ามันออกไปแล้วสู้สู้ ส, ส, สู้ตายสู้ตายเขาเลยว่าสู้มันก็ตายจริงๆแล้วนะสู้ตายในี่ตายจริงๆเราไม่ได้อะไรดูแล้วเราทำไงได้อ่ะสมัยโน้นบอกให้รู้สึกตัวมันก็ไม่รู้สึกเนะี่ยมีแต่นั่งหลับตะคน ปฏิบัติทาเพื่ออะไรเพื่อจะไปทำธุรกิจให้ดีขึ้นประมาณนี้ไกลนะเพื่อจิตมันไม่ลงอ่ะมันกดไม่ลงถ้าเป็นสนุ ก, กแทงดำมันไม่ตกลมกลางมันไม่ลงให้โตบเนี่ยมันก็ไม่สวิงอย่างมากก็ไปติดจมูกมันสะบัดปัป๊บๆๆ๊ๆปัป๊นไม่ลงแล้วก็กลับบ้า น, นแทงทีไรก็ได้แค่นั้นแหละ อย่าง น, น้อยก็คือตื่นขึ้นมา น, น้อยเหมือนระเบิดแดงนั่นเองเท่านั้นขาวระเบิดเป็นกลุ่มแต่กระจายโอ้เขาปฏิบัติธรรมเขาทำกันแบบนี้เนอะก็ได้แค่นั้นนะ่ะแต่มันไม่ลงให้มันไม่ลงให้วันทีก็อาจจะได้เราเก็บแดงคะแนนสองสามนิด น, นหน่อยบวกแต่เขียวน้ำเงินดำไม่ลงทั้งทีชมพูได้แต่ชมพู คนเขาตื่นเนี่ตื่นผู้สงบสมมนานั่นจะทัศนัแงการเห็นพบเห็นผู้สงบจากกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเขาก็ได้พบได้รู้ได้เห็นอันมันให้คำตอบกับชีวิตพายุประตูอภยูประตูผู้ผลทุกผลความกลัวเพราะการเห็นแจ้งจริงๆเราไม่อยากทำชั่วนะชีวิตเนี่ย ไม่อยากทำชั่วไม่อยากทำผิดแต่มันก็ติดความกลัวความกลัวนี่เป็นตัวบังคับกลัวศักดิ์ศรีกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวมีกลัวชนเนยมันบังคับเรากลัวได้กลัวเสียกลัวแก่กลัวตอนแก่แล้วจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยใครจะดูแลกันมันสารพัดนะมันอ้างบางคนก็คิดมากไม่มีลูกก็เอาหลานมาเลี้ยงเพราะว ตอนแก่แล้วมีจะมีใครมาดูแลเรานนะอะไรประมาณนี้นะอ ห, หลานมันก็ไม่ได้คิดว่าจะดูแลคุณหรอกมันจะไม่แหบเอาสมบัติเฉยๆแต่เราก็เลี้ยงไปเงินแหละเพราะมันกลัวไงกลัวอนาคตนะความรู้สึกกลัวมันยังมีอยู่ในจิตมันไ ม, ม่ถูกล้างงอกแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้าถึงสภาพหรือสภาวะธรรมที่พ้นความกลัว ความกลัวพวกนี้มันหายไปจากใจแล้วก็ไม่ทำชั่วนะแต่ว่าการไม่ทำชั่วเราไม่ได้เกิดจากความกลัวอภยูประตูไม่ทำชั่วเพราะกลัวเมื่อก่อนแต่นี้ไม่กลัวไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่กลัวความทุกข์มันไม่ทุกข์แล้วแต่ไม่ได้ทำชั่วไม่ฆ่าคนนี่ไม่แกงคนนี่ไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่า กลัวความทุกข์กลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมตอบสนองขึ้นมาชีวิตนี่มันมันพ้นจากความรู้สึกว่าต้องมีบาปตอบสนองแล้วละคือพูดง่ายๆว่ามันไม่ติดอารมณ์ละดูใครรักใครชังใครอะไรดุดาา่าว่ากล่าวอะไรเราไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเป็นทุกข์ละไม่ได้กลัวปฏิกริยาตอบกลับละเป็นธรรมดาเสร็จแล้วก็จบมันไม่มีแรงผลักแรงต้านนะ มันเป็นธรรมชาเห็นยังไงก็เป็นศักแต่ว่าเอาพยายามให้มันปรุงแต่งมันก็ไม่ปรุงมันจึงเกิดเป็นการแก้ปัญหาแล้วมนุษย์ก็อยู่โดยธรรมชาติแหละทีเนี้ยถ้านมนุษย์ได้คำตอบชีวิตแบบนี้มนุษย์จะอยู่โดยธรรมชาติไม่ต้องไปเบรกไม่ต้องกลัวเข้าขับเข้าบาร์เฮอะไรกับเขาเนี่สุกสนานเพินเนหลุดนะเนี่ยหลุดโลกนะ อะไรที่มันไม่เหมาะสมเลิกเลิกมนุษย์เน้ใจชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคนพบเจอสติสติปัฏฐานเนี่ยทางรอดของชีวิตมนุษนย์เราไม่ต้องรอถึงปีสองพันสิบสองหรอโกโรครอดเนี่ยจากไปนี้ถึงปี2 0 1พันิบสองนี่อา้า โครงการเขาไปปฏิบัติทำปฏิบัติปฏิบั ต, ปบติปฏิบัติไปอยู่เรื่อยเนี่ถึงปีสองพสบสอบรรุก่อนแล้วอย่างนี้แล้วก็เหาะได้แล้วเวลาดินถล่มนี่ไปละใจมันไม่กลัวแล้วไม่กลัวเกิดไม่กลัวตายแล้วอา้าวแผ่นดินถล่ม ม, มามก็ยิ้มอา้าปากรอดรับก้อนมันก็ยังได้เลยใจมันสบายตายก็ตายนะโครคภัยไข้เจ็บเกิด ท่อแก๊สระเบิดขีปนาวุธข้ามทวีบที่ฝังอยู่ในดินมันเท่าไหร่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็บรรจุหัวรบนิวเคลียร์เท่ากับฮิโรชิมานางาสะกิดที่ถล่มลงลูกหนึ่งลูกหนึ่งเท่ากับตายเป็นสองแสนสามแสนคนนะนะทีนี้ลูกหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบรรจุใส่สิบหัวในลูกหนึ่งนะนะจะลวดนี่ขึ้นไปแล้วแยกเป้าหมายได้ด้วย อันนี้ไปบ้านดินนะลูกนี้มันไปลูกนี้ไปกรุงเทพนะมันไปมันมีเป้าหมายของมันนะ่ะที่นี่ไปเมืองท่าเชียงใหม่นะไปภูเกต็ตนะในรัศมีทำการสองร้อยสามร้อยกิโลเมตรหลังจากข้ามทวีปมาแล้วเนี่ยมันไปเอง น, ะนี่มิตแมนเอ็มเ็ตพวกนี้นะโคดเปอร์ชิงมนเนี่ยไปมันไปของมันเอง แล้วเราจะรอดเหรอถ้าเกิดไฟความร้อนใต้พิภบมันเผานีไอ้ลูกที่มันเขาหลบไว้ใต้ดินนะ่ะไม่มีฐานยิงอยู่บนดินเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเป็นถ้าไม่ทายนะเป็นตุ่มผู้พองนะจำเนียจะมานั่งกรรมฐานก็โอ้ยั้งเจ็บทั้งแสบนะเนี่ยเป็นทุกข์แต่ปฏิบัติทรรมวางใจได้แล้วก็สบายแหละที่เนี่ยสบายยูกยารักษาก็ไม่มีนะ ความรู้ทั้งหลายทั้งปวงจะกลับกลายเป็นศูนย์หมดเลยเป็นศูนย์หมดไม่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารผิดยารักษาโรคในการผลิดเครื่องที่อยู่อาศัยผิดอิดผิดเซรา ม, มิกผิดอะไรมันศูนย์กลายเป็นศูนย์หมดน่ะหลังจากนั้นคนก็จะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆโอ้ยสมัยกูเคยรวย นึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยนั้นโอ้ยนวัตรกรรมเป็นแบบ น, นันมันเคยเจริญรุ่งเรืองถึงขนาดนี้กนน็ต้องมาวิจัยกันใหม่อ่ะว่าจะโผล่ขึ้นมาถึงป่านนี้ก็กี่ปีอะมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นแหละเราก็จะทุกมากทุกมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่พระพุทธเจ้าต้องมามองไกลเกินไปอยู่กับอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเห็นทุกข์ที่มันเกิดเพราะความโลภความโกรธความหลง คืออวิชชาคือการไม่รู้แจ้งที่จิตมันติดมันยึดมันเป็นเนี่ยนี่คือปัญหาละทำไงเราจึงจะพ้นความกลัวอันนี้ได้นั้นก็มาเฝ้าดูเฝ้าดูความกลัวมันเกิดที่ไหนเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่มันเกิดเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นเป็นนี่เองเกิดการยึดติดเนี่ยความเกิดขึ้นมันเกิดแบบปะติดปะต่อกันมา ปฏิบัติประต่อกันที่ไหนที่ความคิดที่ความรู้สึกทุกข์ก็ทุกข์ที่ความรู้สึ ก, ก, ก, ก, สกปฏิบัติทำละ่ะเราก็มาเอาความรู้สึกเนี่ยมาขั่นกลางความรู้สึกเฉยๆที่เป็นสติเนี่ยแทนที่จะให้มันคิดต่อเนื่องกันไปแบบปฏิจะสมุป บ, บาทนะเกิดแล้วปฏิประต่อกันไปความคิดเนี่ยเราก็ไม่ให้มันเกิดติดต่อพอเกิดปุ๊บดับนั้นปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเขาจึงพยายามที่จะให้เราเห็นการเกิดดับของจิตไง พระบางองค์บางทีเดินผ่านใกล้กลไม่ได้นะมีน้ำหอมมีท่นมีนี่นะเครื่องเสริมสวยรองหน้าก่อนนอนก่อนหนึ่งอืมเป็นเรื่องที่น่าทุเรศนะบางีคือมันไม่เข้าใจอะ่ะจะมาดับทุกข์ประเภทไหนยังกลัวนั่นกลัวนี่อยู่กะกลัวหน้ามีสิวมีฝ้าบางทีต้องเดินจุกมก็ได้ทำแบบนี้นะเป็นอะไรเนี่ยโยกลัวฟ้าขึ้นมาแดดเดยอตายอนนีย แต่มาทีเขาก็กลัวอะไรกลัวคนเห็นว่าหลับอยู่ข้างใน <c oughs> แผนมันโอ้ยหล่นตาก็มันพลุงพลังชีวิตอัเนี้ยนะมันพลุงพลังขึ้นจะดับทุกข์แต่ก็กลัวนั่นกลัวนี่ศักดิ์ศรีมันเยอะมันละเอียดนะแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ละเอียดหรอกกิเลสมันก็ตื้นๆนเองอะแต่เราทำไมเราไม่เห็นมันะ่ะปัญหาพวกเนี้ย คือเราไม่คนไม่ใช่คนเปิดเราไม่เป็นคนเปิดเผยไงคือต้องเปิดเผยชีวิตเนี่ยง่วงก็ง่ว ง, ง, วงเอาท่านบอกก็จะไปงุนงิดให้ว่ากูนะักคนตั้งเยอะก็ยังว่ากูโอ้ยถ้าเป็นนี้เมื่อไหร่จะดับทุกเปลนถ้กลัวทําไมไอ้นี่ยยอมรับบ้างดิเออท่านบอกก็นั่นบอกครัง้งหนึ่งมันอกียังหับอยู่ก็บอกแรงๆมาโอ้ดาคูตอนหน้าสาธารณชนนั่นเนี่ยก็มนนยหมดพอดีแหละเนี่ยนะ เธอก็ต้องไปปฏิบัติอยู่สํานักนายจ่านายจ้านั่นแหละมันถึงจะพูดดีอันนี้มันก็พูดไม่ดีแหละก็อยากให้ดีอ่ะเมื่อยสอนอยู่บ่อยๆบอกอยู่บ่อยๆแล้วมันไม่ดีขึ้นนี่มันก็กิเลสพื้นๆหยาบๆนี่ยังออกไม่เป็นเนี่ยเราสอนกันทุกวันทุกวันบอกกันทุกวันมันไม่ดีขึ้นจะไม่ให้ดุมันก็โอ้ยมันก็ไม่ไหวเลยเนาะมันก็ไม่ดีขึ้นเนี่ย แล้วสอนทําไมอ่ะมานั่งตีตาหลับแข่งกันอยู่เนี่ยมันจะได้ไประโยชน์แล้วมันก็ไม่ได้ไประโยชน์ดิมันก็น่าจะมีวิวัฒนาการว้างดีสงสารคําสอนของบรุษยถาหลวงตาก็ไม่ได้ด่าพวกเธอได้ไหละว่าไปเนี่ยเพราะด่าพวกเธอหลวงตาก็กลัวจิตของเธอกระเด็นนะ่ะเข้าใจไหมแล้วหลวงตาก็จะสอนยากอีกถ้าเธอโง่หยิ่งอึอดัดขึ้นมาเนี่ยมันโกรธเ็นใจเนี่ยสอนมันก็ไม่รู้สึกตัวอีกแล้วทีเนี่ย แต่จุดประสงค์ขอเราจะจะพูดให้มันตื่นเฉยๆจิตเนี่ยให้มันตื่นตัวให้มันมีสัมมาคารวะขึ้นมาโอ้เป็นอย่งังไงน็อายนั้นเห็นใจนะท่านอุตษาสอนนี่แก่เท่าปานนี่ก็ยังมาอดมาครวนอยู่เนี่ยกูน่าจะตื่นได้แล้วนะเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาก็ขอแค่นั้นแหละจากได้เนี่ยแต่ก็ยังว่านะ่ะไม่รู้จะว่างอ็พยายามพูดเนี่ยมันดีที่สุดแล้วตอนเช้กเาก็ให้มันนอนไปสักตีสี่ก่อนค่อยเทศประมาณนั้น หลับไปเอาอกเอาใจดีที่สุดแล้วนี่แต่ก่อนลงตา ย, ยิ่งพาพาพาเน้นตื่นเตะที่สองนั่นนะ่ะแล้วทําความเพียนขยับมาที่สามครึง่งอันนี้ก็ทํำมาส่วนมลเ้าพักก็หลับซะมที่ห้าค่อยว่ากันว น, นี้ก็ยังจะมาเอาอีกกอกสองกอกสมอยู่นี่ไม่ไหวแล้วเนาะมันไม่ใช่นังมวยนะนะพอตื่นแล้วก็ตื่นมามีน้าซ้ํากินข้าวแล้วมันจะไปเอาอีกนน ใ, นในทางจุกลมนะ่ะ เอาหลายรอบหลายจังหวะนะเพราะพันที่จริงกิเลสมันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายเลยมันพัฒนาไหมก็เห้กูสามารถมีท่านอนแบบประหลาดนี่นเอ <c oughs> เดินไปก็หลับได้เหมือนเย็บจักนะ๊กที่ยักษ์อยู่บางคนเลยทางจุกรมจะลงคลองน่นะลงตาไปสังเกต่แถวๆนี้ริมริมตะลิงเนี่ยหนีกันหมดแล้วไม่มีพวกผู้ๆๆชายนะ มันไปอยู่ในที่ห่างๆตะลิงกันหมดเพราะมันเดินงอมันจะเลยลงไปหลุมเลยน่ะนั้นบางคนก็ลงไปอยู่ในหลุมเลยดีกว่าว่ะมันเสี่ยงพอมันหลับแล้วมันเดินเลยแล้วตกลงไปโน่นเลยอันตรายนั่นก็ห่างหายเหมือนแรงเลื่อนเนี่ยห่างมันห่างออกจากพื้นที่อันตรายเวลามันหลับเนี่ยมันไม่ไว้ใจอ่ะจริงจรงคุณควรจะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ตื่นตัวไงมันได้ระวังไงตกลงครั้งเดียวเท่านั้นแหละเน้นอะไรอ่ะ เีย น, นี่มันบวชพระแล้วลุงตาไปเทศที่ชัยภูมิไปเจอมนีน่สง่เดี๋ยวนี้เป็นมหาสงา่าเป็นปนสงานะ่าเดินจุกมรมดีวัดหนองรกหลอดต่ก่อนเดินไปเดินมาโ้ยคุยธรรมะดีเหลือเกินนะ่ะเดี๋ยวนีนะ้ลงตาคุยด้วยไม่นานเดินกับพุตินะได้ยินเสียง ต, ต่ำตกลงน้ําน่นนะ มันง่วงตกลงในคลองนู้ น, นเห็นแต่ขึ้นมาเพระาะพัจิวอนขวความปบปับขึ้นมาหลตามองมาหลวตาก็ได้แต่ขำเฉยมันไม่มองหน้าเลยนะคุยธรรมะดีแล้วเกิดเน่ะเดินผ่านยังไม่ไกลเลยตกลงคลองมันเหงานอนมันง่วงอืเดี็กนี่ก็ยังไม่สึกนะนานแล้วตั้งแต่ปีสามสี่ก็ ย, ยังยังอยู่ใจสู้เห็นอยากให้เราเราแสวงหา ความกลัวเนี่ยว่ามันมีรากฐานมันมาจากอะไรอ่มันเกิดจากเราไปปรุงแต่งสัญชตาตญาณไมด้เฉยพูดง่ายๆนะผีนี่หมาไม่ยังไม่กลัวนะหมานี่ยังไม่กลัวนะผีเนี่ยสัญชตาตญาณหมาจะไม่กลัวผีนะเอ้ยคุณยิ่งมาจากญี่ปุ่นนี่กลัวผีบ้างไหมแต่ก่อนปวดนะญี่ปุ่นก็มีผีเหรอ <c oughs> วานนั้นเลดี๋ม่ว่าคนไทยคนฝรั่งเลยมันมีผีไปหมดนะ่ะผีคือความรู้สึกเราแนะ่ะจิตมันมีความกลัวไงแล้วตัดความคิดไม่ได้มันจะคิดมันละลามลุกลามไปถ้าถ้าหยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งทุกอย่างก็ไม่มีเพราะจิตมันปรุงขึ้นมาเฉยยิ่งจิตมันปรุงรูปร่างหน้ากลัวมันก็ยิ่งกลัวนะะแต่ถ้ามันไม่น่ากลัวมันก็ไม่หน่ากลัวเพราะจิตเราไม่ปรุงขึ้นมา มันแล้วแต่ว่าอุปทานในจิตเราเนี่ยมันฝังรูปลักผีไว้ขนาดไหนเนี่ยมันก็จะกลัวขนาดนั้นยิ่งมันมีอุปทานมากนะจิตเรามันเบลเบลสติมันไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นเห็นทันทีมันเป็นเห็นรูปเห็นร่างเห็นนั่นเห็นี้ขึ้นมานมันเป็นความรู้สึกของสัญชาตญาณมนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดเผ่พาพันธุ์ไหนจะมีความรู้สึกกลัวผีกลัวอะไรนี่ยกลัวสิ่งสักดิสิทธิ์กลัวในห้องนี่ เพราะมันไม่เกิดการสัมรอกออกไงปฏิบัติธรรมเขาจึงให้เกิดการสัมรอกสัมรอกความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่าสัมรอกกิเลสสัมรอกนะอวิชชาที่ความรู้สึกความโง่เรื่องไสยศาสตร์เรื่องพวกนี้ให้ออกไปจากจิตเนี่ยมันสามารถประคองสังคมไว้ได้ระดับหนึ่งนะไอความเชื่อความศรัทธาพวกนี้อย่างที่พูดไปเมื่ก่อนว่าศรัทธาหรือความเชื่อความองายอันนี้มันมีที่ไหนถ้าเราปรับ มาสู่ปัญญาได้มันก็ดีแต่ถ้าปรับมาสู่ปัญญาไม่ได้มันก็จะกลายก่อเกิดเป็นพลังนะที่สามารถทำอะไรก็ได้ให้กับโลกนะอย่างประเทศเขมรเนี่ยเขางมงายสุดๆขเขาก็สร้า ง, ขงเขาพระวิหารได้แบบสุดๆนะนะบุโรพุตโอ น, นี่ <c oughs> อินโด น, นี่หรืออินเดียพวกนี้ยเราไปดูแต่เราไม่เรียกว่าความงมงายเขาเรียกว่าศรัทธา ดรียว่าศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาต่อพระเป็นเจ้าศรัท ธ, ธาและนี่ทำอะไรได้หมดแม้แต่การหลักิีรีการฆ่าตัวตายการ น, นี้แต่มันเกิดจากศรัท ธ, ธามีความเชื่อเชื่อตามสันสัญญาณเชื่อตามปรากฏการความรู้สึกนึกคิดเชื่ออาวิชาเราเองไงทีนี้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะให้จิตเรามีความสนิทแนมแน่นกับจากวิชาไม่ใช่อวิชา เกิดจากการรู้การเข้าใจการเห็นแจ้งแล้วมันมีความสดิดแนบแน่นอยู่กับนั้นน่ะมันไม่มีความกลัวไม่มีความอยากเราหลับแล้วนอนแล้วตื่นขึ้นเราไม่มีความห่วงหาอะไรที่ว่าเออมันต้องเอาอีกนะต้องหลับอีกนะต้องเสวยสุกต้องอะไรอย่า ง, างนี้นี่ยจิตมันไม่กลัวแล้วมันไม่ติดความอยากติดในกามที่หยาบหยาบและกามที่ละเอียดแบบเนี้ยมันตื่นแล้วมันก็ตื่นเนะ่ะ มันไม่กลัวว่าเออนอนอีกเส้นหน่อยเดี๋ยวมันจะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะง่วงมันจะเงามันไม่กลัวไอ้ง่วงที่มันรอเราอยู่เนี่ยเพราะเรารู้ความลับมาแล้วไงเข้าใจ